บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นการงานที่บุคคลจะต้องกระทำในด้านจิตใจนั้นแม้พระพู้มีพระาคเจ้าจะทรงจำแนกแสดงออกไปโดยวิจิตติษดานก็ตามแต่เมื่อกล่าวถึงเป้าหมาย ของการประพฤติปฏิบัติแล้วคือต้องการให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของตนเด็กและสิ่งที่จะต้องสงบจากใจไม่ได้มีอิทธิพลครอบงำใจในชั้นที่ต้องแก้โดยระดับส ม, มถกรรมฐานนั่น<ๆ>ก็คือเรื่องนิวรณ์ทั้งห้าประการและนิวรณ์นั่นเองจะส่งกับแนกแสดงไว้โดยวิธีต่างๆ บางครั้งก็จะพูดเฉพาะตัวนิวร์เฉยๆให้บุคคลได้มองเห็นโทษของกิเลสกลุ่มนี้แล้วตรวจสอบดูจิตใจของตัวเองเมื่อถูกกิเลสกลุ่มนี้เกิดขึ้นครอบนำก็จะเห็นว่าภายในจิตจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นร่ารรอนกระสับกระส่ายแล่นไปในอารมณ์ต่างๆตัแรงพรักดันของนิวร์ข้อนั้น จึงแสดงอาการออกมาไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันก็คือมีความเร่าร้อนเหมือนกันบางครั้งท่านก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แปลกเปลือนส ก, กับปกเป็นทุลีบ้างเป็นฝุ่นบ้างเป็นละอองบ้างเป็นโครนตมบ้างเป็นลมเป็นบ่อบ้างรูปธรรมข้างนอกเป็นเครื่อง สะท้อนถึงความรู้สึกภายในจิตเพราะจิตเราเวลาถูกนิวรณ์ครอบงำก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพื่อจิตใจของบุคคลเกิดความหวาดกลัวขยะแขยงรังเกียจใต้องการที่จะให้ความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นครอบงำใจแต่บางครั้งก็จะสอนสำหรับผู้ที่มีปัญญาสวจสอบได้ ก้อยสาวลึกไปถึงความเป็นมาอาการและก็ความเป็นไปตลอดถึงการแก้ไขให้ความรู้สึกเหล่านั้นสงบลงไปซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติระดับนี้เป็นการปฏิบัติที่มุ่งเน้นในการเอาจริงออกจังคือพยายามต่อสู้กับนิวรณ์ให้ได้จึงมีการพยายามจัดต้นเหตุให้เกิดนิวรณ์ แล้วก็พยายามสงบนิวรณ์ที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันจนถึงพยายามป้องกันที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเราใกล้ๆกับมองอาการของโรคที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นโรคเสียแทงอย่างไรมีความร้อนอย่างไรมีความทุกข์ทรมานอย่างไรเป็นสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันทีถามใจของเราว่าเราต้องการโรค โรคนั้นให้เสียดแทงอยู่ต่อไปหรือไม่เราทุกคนก็จะตอบเหมือนกันว่าไม่ต้องการให้โรคเหล่านั้นเสียดแทงได้แล้วก็สอนในลักษณะสืบสาวถึงสมุทรฐานให้เกิดโรคและเพียรพยายามที่จะตัดต้นเหตุหรือสมุทฐานเหล่านั้นเมื่อสมุทฐานถูกตัดไปอาการของโรคก็สงบไป แต่บางครั้งบางคราวอาจจะเกิดขึ้นมาได้อีกในโอกาสต่อไปก็ตัดต้นต่อกันไปเลยดังนั้นในหมวดที่ว่าด้วยนิวรณ์ที่บาลีตั้งใช้คําว่านิวรณะปป ะ, ะคือหมวดของนิวรณ์นั้นเฉพาะที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานในสุดให้ดูจิตซึ่งมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆให้เห็นประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริง ไม่หลอกตัวเองนิวรณ์ก็ได้เกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นจิตเรามีนิวรณ์ข้อนั้นข้อนี้เกิดขึ้นแต่ก็ดูว่าจริงๆแล้วมันก็เพิ่งเกิดวันก่อนมันเคยเกิดแล้วก็หายไปขณะนี้ก็เกิดก็สืบสาวไปดูว่านิวรณ์ที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็สืบสาวไปถึงต้นเหตุ ซึ่งต้นเหตุที่แท้จริงแล้วไม่ได้สอนในขณะนั้นแต่เป็นการสอนถึงต้นเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือยังไม่ได้สาวลึกขึ้นไปถึงตัวสาเหตุหลักคือตัวเป็นธาตุเป็นเชื้อที่แท้จริงที่ให้เกิดนิวรณ์แล้วก็ศึกษาถึงวิธีดับการดับก็เป็นการดับเหตุที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบัน โดยการไม่กําหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดนิวรณ์ข้อนั้นๆหลังจากนั้นจะนศึกษาการสงบประงับอย่างสิ้นเชิงแม้จะไปเจอกับอารมณ์ที่ชวนให้เกิดนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งนิวรณ์เหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นซึ่งในนวการปฏิบัติระดับนั้นเป็นการปฏิบัติระดับสูงที่ท่านเรียกว่าตัดกิเลสได้เด็ดขาดซึ่งก็ไม่ใช่อยู่ชั้นของสมถกรรมฐาน แต่เป็นชั้นของวิปัสสนากรรมฐานที่จะต้องตัดด้วยมรรคซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆผลมาถึงหมวดของกนธปรบภะ ค, คือหมวดที่ว่าด้วยขันและเป็นกลุ่มของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสอนให้บุคคลตั้งสติตามระดึกรู้ธรรมะคำว่าธรรมานั้น หมายถึงสิ่งหรือสภาวะที่เป็นอย่างที่เขาเป็นหรือทรงความเป็นของตัวเองเอาไว้ลักษณะเหล่านี้จะเป็นสากลคือทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกกะตะ็ตามบางครั้งเพื่อเกิดความเข้าใจง่ายตันงชื่อกำมาเนื้อหาและพยัญชนะด้วยเนื้อหาและรูปแบบรูปแบบนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่เนื้อหานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าอยู่ในส่วนใดของโลกและยุคสมัยใดก็ตามจนวนเนื้อหาของไฟนั้นมีความร้อนเนื้อหาของน้ําเย็นนั้นเป็นลักษณะสากลไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกอยู่ในโลก ใ, ใดๆในจักรวาล ใ, ใดๆประก็เป็นก็มันอย่างนั้นลักษณะของธรรมะก็เป็นเช่นนั้นคนที่มีทิฏฐิจริตอย่างอ่อน มีปัญญาแก่กล้าพิจารณาสืบสาวไปไม่จบสิ้นกระบวนการของธรรมชาติกระบวนการของธรรมชาติมันจะเกิดสำคัญบรรหมายว่ามีสิ่งที่เทียกแท้แน่นอนไม่แปรผันนั่นก็คือธรรมะคนเหล่านั้นก็จะยึดติดในธรรมะเหล่านั้นในข่ายที่เป็นกระกลางบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง พระพุทธเจ้าก็นำมาสรุปแสดงไว้อีกชีดหนึ่งคือแสดงทั้งหมดในส่วนที่เป็นอกุศลก็เช่นนิวร์ทั้งห้าประกาศนะที่เคยกล่าวไว้แดงต่อไปนั้นเป็นการแสดงส่วนกลางๆเป็นปรากฏการธรรมชาติธรรมดาไม่มีใครเขาสร้างขึ้นแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิด เมื่อเหตุปัจจัยยังดํารงหล่อเลี้ยงเอาไว้เขาก็ดํารงอยู่ได้แต่เมื่อเหตุปัจจัยเสื่อมสลายไปมันก็มีการเสื่อมสลายไปคนนี้ผมสังเกตว่าคล้ายๆกับเรานั่งอยู่ในตรงนี้เราแก้วใส่น้ําแข็งมาวางไว้แก้วน้ําก็จะถูกอากาศข้างนอกไปจับ ก็กลายเป็นน้ำออกมาข้างนอกแต่ถ้าเหตุปัจจัยมาสนับสนุนข้างในไม่มีหรือระหวางแก้วน้ำธรรมดาเอาไว้ไม่ได้มีปัจจัยเขาช่วยให้แปรอากาศมาเป็นน้ำมันก็ไม่เกิดเป็นน้ำขึ้นมาเรื่องเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้น หมายความว่าภายในใจของบุคคลนั้นจะต้องมีเชื้อของกิเลสหรือเชื้อของธรรมะอยู่แล้วจึงจะเกิดเป็นกิเลสหรือเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าไม่มีเชื้ออยู่มันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้พวกกลุ่มเหล่านี้ทรงจำแนกแสดงเรียกง่ายๆว่าขันทั้งห้าแต่บางอย่างก็เรียกว่ากายกบจิตบางทีก็เรียกว่ารูปกับนาม เป็นการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปด้วยโวหารคือการพูดแต่ผู้กับคนที่มีสติปัญญามากพอก็พูดว่ารูปนามก็จบแล้วหรือพูดว่ากายกับจิตบางทีก็จำแนกออกไปโดยปิดสดาษบางทีก็ไม่จำแนกแล้วแต่ว่าพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้ น, น, นเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือการไม่บังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ามันเป็นธรรมชจิติคือตั้งอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นธรรมนิยามคืออยู่ในเงื่อนไขของธรรมชาติมือ เ, เงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ยกไว้แล้ว เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าพระองค์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นหรือจะตกอยู่ในกฎของประไตรลักษณ์ที่จึงการยกรูปขึ้นมาพิจารณานั้นทรงสอนในหลายวิธีด้วยกันแต่เป้าหมายจะมีอย่างเดียวกัน นั้นคือเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับพเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและเป็นการทาวลมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดเพราะนเราจะมองเห็นว่าการสอนรูปในแนวของอริยสัจนั้นจะสอนทุกๆแนวไม่เฉพาะสอนแนวใดแนว เช่นว่าการสอนให้มองสังขารในแง่ที่ตกอยู่ในกติของธรรมดาอย่างที่กำหนดได้เป็นบทสวดสาธยายดำลึกถึงกันอยู่สม่ำเสมอคิดไปเ ร, เรื่อยนึกไปเรื่อ ย, อยจนเกิดความรู้เท่าทันตามความเป็นจริงเวลาประสบกับความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือหลักของอภินาปจเวกขณะ ทั้ง4ประการแรกเป็นการแสดงถึงสภาวะที่เป็นสัจจะของชีวิตไม่จะต้องถามว่าทำไมจึงต้องเป็นเราที่จริงมันเป็นอย่างนั้นเองคนมาเกิดมาก่อนเราก็ตายไปแล้วก่อนเราคนที่จะเกิดต่อไปก็จะตายต่อไปที่เกิดมาในขณะปัจจุบันก็จะตายกันตายกันในยุคในสมัยปัจจุบัน แต่ว่าใจคนไม่ยอมรับไม่ยอมรับก็ส่งสอนให้มองอาจจะมองจากตัวเราหรือมองจากคนอื่นก็ได้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้แต่บางทีใจไม่ยอมรับเรายังไม่รู้สึกว่าเราแก่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวจูก๋ก็มองคนแก่ซะ มองคนแก่บางทีก็อาจจะมีการปรุงแต่งประดับประดาะเอาไว้ก็มองที่แก่มากๆแล้วกลับมาหาตัวเราไปเจอคุณยายคุณตาอายุแปดเก้าสิบร่างกายแก่งอมรัชราปรากฏชัดเจนเราสิบกว่าเรายีาสาสา่สิบกว่า30มสิบกว่าสี่สิบกว่า เราแก่น้อยกว่าคุณยายคุณตาเหล่านั้นแต่ที่จริงเราก็แก่กว่าคนที่หนุ่มกว่าเราก็พยายามมองเห็นว่าเราก็ใกล้ความเป็นอย่างนั้นเข้าไปทุกทีนั้นก็เป็นเงื่อนไขยอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดรู้เท่าทันดังความจริงเวลาความจริงปรากฏเกิดขึ้นก็ไม่ไปเดือดร้อนกับความจริงแถ ว, วนั้นมากเกิดไป อยาน้อยก็มีความคิดที่ประยุต์หนึ่งเกิดขึ้นได้ภายในใจว่าคนที่ต้องแก่เป็นธรรมดาก็แก่แล้วเวลานี้เราเองก็ได้แก่แล้วมันจะเกิดสำนึกด้วยความไม่ประมาทมองชีวิตข้างหน้าสั้นลงความตายจะปรากฏเมือ่อไหร่ยังไม่รู้ได้ทำไป ทรองอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับช่างเหมือนกับบุคคลฟั้นเชือกหนังนั่งคว้านเชือกไปเรื่อยๆไอเชือกที่คว้านแล้วมันก็หย่อนลงข้างล่างไอสุนัขมันนอนอยู่ใต้แคร่มันก็กินเชือกหนังนั้นไปเรื่อยๆแต่เชือกหนังนั้นก็คว้านไปคว้านไปก็จวนจะหมดอยู่เรื่อยๆเหมือน แต่ปรากฏว่าพอคว้านเสร็จแล้ว่าวางไว้ไอสุนัขข้างล่างมันกินหมดเป็นสภาพของชีวิตที่สะท้อนถึงความจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วผ่านการเวลาไปขณะที่แล้วมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนเชือกหนังที่สุนัข ก, กินไปแล้วไม่มีการย้อนกลับคืนมาไม่มีการวนกลับคืนมาอีกต่อไป ข้างหน้ามันก็สั้นข้าวสั้นข้าวไปเรื่อยๆและสั้นอย่างที่เราไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไดยทำไปแต่นั้นจึงทรงสอนให้เราพิจารณาที่ความแก่และพิจารณาที่ความเจ็บซึ่งจะเป็นตัวตัดรอนชีวิตที่แก่ให้ถึงความแตกตั้บในช่วงที่สาเพราะนั้นเวลามีความเจ็บมันก็ถือว่าธรรมดาอย่างหนึ่งของร่างกาย ร่างกายเรานั้นท่านแสดงว่าเป็นรังของโรคเป็นที่ประชุมของโรคสรับพะโรคมันก็อยู่ในร่างกายของเราและพร้อมที่จะรับเชื้อจากข้างนอกซึ่งก็มีเชื้อโรคอยู่อีกเป็นนัดมากเลยวกัชีวิตแต่และชีวิตนั้นอยู่ท่ามกลางวงล้อมของความแก่และความเจ็บเวาเจ็บจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในตัวความเจ็บนั่นเองเมื่อเจ็บขึ้นมาแล้วชีวิตมันก็จะแยกออกไปเป็นสามลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งบางครั้งจะรักษาหรือไม่รักษาก็หายได้สแสดงว่าความเจ็บนั้นไม่ได้รุนแรงแต่ในขณะเดียวกันความแก่เขาก็เดินไปเรื่อยเจ็บกี่วันก็แก่ไปเท่านั้นเจ็บกี่เดือนก็แก่ไปเท่านั้นความแก่แก่ไม่หยุดแต่ความเจ็บนั้นหายได้ เปลี่ยนแปลงไปได้เคยจากเจ็บเป็นหายจากหายเป็นเจ็บเจ็บมากเป็นเจ็บน้อยเจ็บน้อยเป็นเจ็บมากแล้วแต่มันก็เปลี่ยนกับมันได้แล้วในที่สุดมาถึงจุดหนึ่งก็ทรงสอนให้พิจารณาถึงความตายว่าเป็นธรรมดาไม่มีใครจะร่วมพ้นความตายไปได้ทําไมจึงต้องสอนสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีก เพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ตกอยู่ในความประมาทมีความรู้สึกคล้ายๆกับตัวจะอยู่ค้ำฟ้าอันเป็นอาการของตันหาเป็นอาการของชิดๆคือความเหิดผิดเพรา ะ, ะนราลองสังเกตดูพฤติกรรมของคนจะเห็นได้ว่าคนไม่เตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับความตาย แม้ไปเผาศพคนอื่นก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยการขวายคว้าปราถนาการยื้อแย้งการต่อสู้เพื่อจะได้สิ่งต่างๆมาครอบครองมันก็ไม่ยอมหยุดสักทีทั้งๆที่ตัวเองก็แก่งอมลงเพราะเจราแล้วนั้นแสดงถึงภาวะจริงๆของจิตว่าจิตไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าเราแก่แล้ว แล้วความตายก็คืบคลานใกล้ๆมาทุกข์กันการสอนในลักษณะนี้เป็นการสอนให้บุคคลไม่ประมาทเพราะคนในปกติจะประมาทในวัยเรายังไม่แก่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่ควรเข้าวัดฟังธรรมจำศีลก่อการเข้าวัดฟังธรรมจำศีลไปเรื่องคนแก่เรายังไม่แก่เราก็ยังไม่ต้องทำ สึ่งอันที่จริงเราก็แก่ในขณะที่พูดว่าเราไม่แก่นะเราก็แก่อยู่ในเรื่องของความเจ็บเป็นคนก่อให้เกิดความไม่ประมาทในความไม่ความประมาทในความไม่มีโรคแม้จะไปเยี่ยมคนเจ็บ่ายได้ป่วยรักษาคนเจ็บ่ายได้ป่วยอยู่แต่ไม่มองกลับมาที่ตัวเพราะนั้นทำให้คนรังเกียจคนป่วย ไม่พอใจในคนป่วยอึดอัดรำคาญกับคนป่วยทั้งๆที่ตัวเองป่ยวยมันก็เป็นอย่างที่คนป่วยก็เป็นแต่จุดนี้ถ้าเราเข้าถึงธรรมดาของคนป่ยวยพะคนป่ยวยมันก็เป็นอย่างนี้เองเป็นธรรมชาติธรรมดาของคนป่วยจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่รุ่งพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เขาจะทาตัวเองให้ไม่ประมาทแลวสามารถใช้ประโยชน์จากคนป่วย ระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองและช่วยบำบัดอาการป่วยที่เกิดขึ้นแก่คนอึ่นและคนประมาทในชีวิตคล้ายๆตัวเองจะอยู่คำฟาดดังกล่าวแล้วในข้อนี้ท่านเล่าไว้เนี่ยตกรถาธรรมบทว่าเทพิดาตนหนึ่งจุติลงมาจากสำนักของมาลาภารีเทพบุตร เมื่อจุติมาแล้วก็เกิดในคานของปัญญาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีเป็นหญิงมีบุญระลึกชาติได้มองสมบัติในโลกมนุษย์ก็มองสมบัติในสวรรค์เทียบเคียงกันแล้วเธอก็ปรารถนาสมบัติในสวรรค์เพราะเทียบเคียงกันไม่ได้ที่พระยสมบัติกับมนุษย์สมบั ต, บบติทำบุญทุกครั้งจะปรารถนาไปเกิดในที่เดิมคือในสำนักของมาลาปาริเทุต ต่อมาก็เป็นอุบาสิกาที่เคร่งทานเคร่งศีลเคร่งภาวนาทุกครั้งท่านปรารถนาพบเพราการปฏิบัติของท่านจึงไม่ขึ้นไปสูงเพราะจะสูงมันก็เลยพบที่ท่านต้องการท่านอยู่แค่ทานแค่ศีลเป็นหลักสำคัญอายุ65ปีตายแล้วไปบังเกิดในตำนักมาราภาริเพป พระโกดมมาลาภารีเทพบุตรยังไม่กลับจากประพาสอุตยานหันไปถามเทพธทิดาว่าตะกี้เธอหายไปไหนมานางก็เล่าความเป็นมาให้ทราบมาลาภารีเปเทพบุตรเองเกิดสลดใจว่าทำไมอายุมันสั้นเลยเกินประเดี๋ยวเดียวเท่า น, นั้นเองก็ตายแล้วแต่ก็สอบถามนางเทพธิดาว่า มนุษย์ใช้อายุสั้นๆของเขา ไ, ไปอย่างไหนเทวดาก็บอกว่ามนุษย์ไม่ได้คิดว่าตัวเองอายุสั้นไม่คิดว่าอายุตัวเองจะยั่งยืนนานถาวรทั่วไปเพราะงั้นแต่ละคนจึงอยู่ด้วยความประมาทนี่แสดงให้เห็นว่าอายุเราที่แม้แต่ความตายเมื่อตายตอนแก่ก็ตามเมื่อเทียบเคียงกับในโลกอื่นในพภพ อ, อื่นซึ่งก็มีอายุยืนเราก็เทียบกับเขาไม่ได้ งานไกลกันได้เกินแต่คนก็ยังประมาทการสอนในลักษณะนี้ที่จริงก็คือสอนให้พิจารณารูปขันแต่สอนรวมๆไปเลยไม่ไปแยกย่อยโดยเหตุด้วยปัจจัยเพระาะว่าต้องการจะแก้กความประมาทซะก่อนเพราะถ้าจราบใดคนยังมีความประมาทอยู่ ยังประมาทในวัยถือเอถือว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงยังมีกําลังยังอยู่ในโลกนี้อีกนานไม่ต้องทําความดีอะไรเรามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ไม่ต้องกลัวโรคภยัคยไข้เจ็บอะไรแม้จะมีการโฆษณาให้ป้องกันโรคภยัคยไข้เจ็บก็ไม่ได้คิดที่จะป้องกันหรือคิดว่าเรามีชีวิตอยู่อีกอย่งกิดนานแต่และอย่างนั้นไปนการประมาท ถ้าประมาทแล้วจะไม่รีบทําความดีซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ที่อยู่ด้วยความประมาทก็นี้ท่านสาธารชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าคล้ายๆกับข้าวของภายในบ้านเราที่อยู่โดยเรียบร้อยไม่มีใครคิดจะเก็บจะวางจะช่วยจะบรรจุหีบห่อเอาไว้ให้เรียบร้อย แต่ถ้าเห็นไฟไหม้มาความคิดเหล่านั้นจะเปลี่ยนจะรีบมีความกระตือรือร้นเย็บสวยสิ่งต่างๆที่มีค่าหรือบางครั้งปั๊มๆเปะเป๋ไปก็ไม่ได้อะไรออกมาเหตุนั้นบางทีพูะเจ้าก็สอนให้มองชีวิตเหมือนกับเรือนที่กำลังไฟไหม้ลุกลามมาเรือนี้ต้องพังแน่ หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าร่างกายนี้ต้องพังแน่แต่ว่าทำอย่างไรจึงจะหยิบช่วยของออกมาจากบ้านได้คนก็ต้องรีบใช้ช่วงจังหวะที่พอจะหยิบช่วยอะไรออกมาให้ได้บ้างที่สุดที่จะมากได้ท้ำกลางเรือนซึ่งกะลังถูกไฟไหม้ชีวิตร่างกายของบุคคลเราก็เป็นเช่นนั้น ร่างกายนั้นเป็นเรือนเป็นที่อาศัยของจิตใจจนท่านกล่าวไว้ว่าความกลัวต่อความตายซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วคนตายเขาไม่กลัวแต่คนกลัวนั้นกลับไม่ได้ตายหมายความว่ายังไงหมายความว่าร่างกายที่ประกอบแต่ดินน้ำลงฝ่ายอากาศนั้นคือเขาต้องตายจริง ต, ต้องเปิดอยหน้าผุพังไปดินก็ไปสู่ดินน้ําก็ไปสู่น้ําลมก็ไปสู่ลมไฟก็ไปสู่ไฟอากาศก็ไปสู่อากาศมันเป็นการเกาะกลุ่มของธาตุเกิดขึ้นอย่างมีสัดส่วนมันก็เป็นรูปขึ้นมาการแตกทําลายชีวิตินทร์สีนั้นเป็นการแตกทําลายของธาตุไม่ใช่แตกทําลายของจิตแต่ปรากฏว่าจิตกลัวกายไม่ได้กลัว จับมือมาถามว่ากลัวตายไหมมือก็ไม่ตอบเลยก็ไม่กลัวให้ลองถามอวัยวะทุกส่วนว่ากลัวตายไหมแกไม่กลัวแกไม่รู้สึกอะไรระหว่างตายกับเป็นแต่ว่าจิตกลับเป็นผู้กลัวทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ตายมองแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตลกว่าคนตายเกิดไม่กลัวแต่คนกลัวกลับไม่ได้ตายทําไมจึงกลัวตาย เพราะจริงเป็นความเห็นแก่ตัวกลัวว่าตัวเองจะไม่มีที่พำนักอาศัยจะไม่มีที่อยู่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันโดยผลของการประพฤติปฏิบัติจะทําให้บุคคลกลุ่มหนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผู้ไม่กลัวต่อประโลกคือไม่กลัวตายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาเข้าใจชีวิตทั้งสองช่วง การเกิดขึ้นของชีวิตที่เป็นอาศัยเป็นรูปเป็นนามขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยได้พนุษยสมบัติจึงมีความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันอยู่เป็นนั้นมาแต่ร่างกายเหล่านี้มันต้องแตกดับแน่นอนจะกลัวมันก็แตกดับไม่กลัวมันก็แตกดับแต่ถ้าไม่กลัวเราจะใช้ประโยชน์จากร่างกายนี้ทําสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ได้มาก พันคำสอนระดับทานศีลภาวนาที่เน้นหนักไปให้ชาวบ้านประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเน้นในพระปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาชาวบ้านจะเน้นไปที่ีทานศีลภาวนาเพื่ออะไรเพื่อให้อาศัยร่างกายที่ยังมีได้แรงความเพียรพยายามอยู่นี่แหละสะสมความดีเอาไว้บําเพ็ญบุญกุศลเอาไว้ เดรเกพราภายในจิตเป็นกรรมที่จะนำชีวิตของบุคคลนั้นไปหาบ้านใหม่ไปอุบัติบังเกิดในสถานที่ใหม่เรือนเก่าไฟไม้ก็ไหม้ไปใจซึ่งประกอบด้วยกิเลสปัญญากรรมจะนำไปสร้างเป็นปฏิสนธิวิญญาณตามคุณภาพของกรรมที่บุคคลได้กระทำเอาไปบุคคพวกนี้ก็ไม่กลัวต่อภระโรค และตัวประโลกเองก็ก็ถือว่ามันก็เกิดดับเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาการศึกษาในแนวของคันธปภ ะ, ะนั้นเป็นวโวหานในการเทศในการสอนแต่จุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้เกิดเป็นความส ง, งบเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้ดีเป็นความดับอย่าถามว่าดับอะไรดับเพรืงกิเลส อย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของเพลิงกิเลสลงไปดับเพลิงทุกอย่างน้อยก็ลดความทุกข์ลงไปแต่ความทุกข์นั้นเป็นผลเกิดมาจากกิเลสเพราะงั้นถ้ากิเลสลดทุกข์ก็ลดกิเลสดับทุกข์ก็ดับกิเลสเพิ่มความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นแต่จะโดยปริยาอย่างไรก็ตามเมื่อปฏิบัติถูกตรงตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้น ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป